ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงพระโพธยาาในวันนี้คงพูดเรื่องสมาสติคือการตั้งสติชอบแต่จะเป็นการบรรยายเรียงลำดับไปตามมาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหลักการปฏิบัติเอาไว้โดยพิจิตพิสดา แต่ทั้งหมดก็ที่จริงก็คือเรื่องอริยสัจทั้งสีง่นั่นเองประวันในตอนสุดท้ายก็ไปสรุปรวมที่อริยสัจทั้งสี่ประการปรบางประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วก็ต้องเว้นเพียงแต่บอกว่าตรงเนี้ยก็ได้ผ่านพบมาแล้วจนมาตอนปลายเราไปเจอเรียมักโยงแปดประการอีก แต่ว่าที่จริงแล้วส่งแสดงค่อนข้างพิสดาออรเกรยมักในธรรมจักนั้นแสดงไม่พิสดารเกี่วกัเพียงแต่ว่าเรียกชื่อสมาทิติสมาสังกัปปะสมมาวาจาสมารกรรนตาก็ขปันโคยคีตั้งเข้าใจแล้วแต่คนนี้เป็นการแสดงแก่ชาวบ้านแล้วก็มีพระปุณูดด้วยเพรธรรมจิกกระจายออกไป ในตอนแรกทรงแส ด, แดงในรูปของวัตถุประสงค์หมายความว่าการตั้งสติระลึกในสติปัฏฐานทั้ง4ี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะรัก็เบื้อวัตถุประสงค์ที่ทรงตั้งไว้เนี่ยก็4ประการหลักตัวกันประการแรกก็คือเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลาย แ้่ที่จริง้าเราจะไปนเน้นที่ฝวามหมดจดเฉลยทีเดียวก็ได้เลยนะครเพราะว่าตัวนี้จะแสดงโดยปริยายหนึ่งเรียกว่ามิสุทธิเจดแสดงไว้ในรัฐบินีตาสูตรคือสูตรที่ว่าเหมือนกนระดกเจ็ดพลัดแต่ความบริสุทธิ์ในที่นี้เราโดยสรุปก็คือบริสุทธิ์ในชั้นศีลสมาธิปัญญา แต่วันชาติปัญญาก็เรียงเป็นห้าระดับท่านั่นเองก็กลายเป็นวิสุทธิ์ที่เจ็ดคือวิสุทธิ์ระดับศีลหมายความว่าสามารถควบคุมกิเลสประเภทที่ล้นออกไปเป็นทุจริตทางกายทางวาจาไว้ได้ก็ใจก็คงมีกิเลสอยู่แต่ว่าควบคุมไว้ได้แตเรียกว่ากิเลสไม่ล้นออกมาข้างนอก มีสำนวนท่านผู้ดึงท่านกล่าวไว้ว่าการทําความดีของมนุษย์เหล่านั้นเอาขนาดจักสี่อย่างท่านใช้ก็มาปากไม่ลน้นล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีทําได้สักสีอย่างก็บุญแล้วแต่ว่าไม่ได้ถามคําอธิบายของท่านแต่ถ้าเราดูข้อความแล้วเนี่ยปากไม่ล้นก็คือไม่ไ ม, ไม่ทุจริต คนไม่รั่วเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องการม่สมิาจารย์คือไม่มากมากในเรื่องทางกายชั่วไม่เอาก็คืองดเว้นจากทุจริตก็เน้นที่กายนะฮะเน้นที่กายกับเน้นที่ใจแล้วก็เมาไม่มีก็คือเบ้นจากการสิ่งเสียติดทั้งหลายก็อยู่ในเวทวงของสี่ห้าประการ แต่ความบริสุทธิ์ในที่นี้เก็ ข, ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงจิตวิสุทธิ์ก็คือเป็นผลของสมาธิเดี๋ยวตรงนี้ก็จะกระจายตัวเองออกไปโดยลำดับเมื่อถึงตอนสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าที่จริงตอนสุดท้ายของแต่ละตอนนะฮะคือแต่ละตอนในที่จริงตอนแรกเนี่ยจะเป็นเบื่องของสมถ ก, กรรมฐานพอช่วงที่สองเนี่ยจะเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ว่าพูดถึงกายพูดถึงเวทนาพูดถึงจิตพูดถึงธรรมก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าระดับจิตเนี่ยกิเลสมันถูกสยบจนสงบได้ลึกกว่าระดับศีลแล้วก็มีความประนีตไปตามองค์ของฌานเตรีก็จะมีในช่วงหลังนะฮะมีในช่วงของกาสมาธิเนี่แล้วก็ มาถึงระดับของปัญญาหรือตามปกติในแง่ของพระพุทธศาสนาในแง่ของสัจธรรมนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยถือว่ามองโลกวิปลาดคลักเคลื่อนจากความเป็นจริงสมบูรณบาลีว่าวิปลาดคือหมายความว่าไม่ยุติด้วยเหตุผลและความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเป็นการมองโดย ภาพมายาแล้วก็ปรุงแต่งคิดปรุงปรุงคิดขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดความสับสนขึ้นใน4ีประเด็นหลักนะประเด็นแรกก็คือโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเอามารูปร่างของคนสวยงามในตรงไหนมันสวยงามร่างกายของเราในแต่ละวันก็ต้อง อาบน้ำขัดสีจวีวันตกแต่งประดับประดาสารพัดมีช่องของร่างกายอยู่ถึงเก้าช่องไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลอ่าโดยเห็นว่าเช่นช่องหูช่องจ ม, มูกเนะื้อแย่มือไปนิดเดียวมันก็สกรปรกแล้วช่องปากช่องอะไรก็เหมือนกันทั้งหมดเลยมันก็เห็นเห็นกันด้วยนะแต่ว่าใจของมนุษย์เนี่ยมันจะไปมองในแนวแยกส่วน น, นวั่นงรวบรวบเอา จำนวนบาลีท่านเรียกว่าถือโดยนิมิตแลก็ถือโดยไปโดยถือโดยอนุพยัญชนะนิมิตก็รวบไปเลยในรถคันนี้สวยบ้านหลังนี้สวยคนนี้สวยคนนี้หล่อก็ก็ก็รวบไปเลยจากเกิดแรงผลักดันให้เกิดความหลงไหลคลั่งไคล้ปรารถนาครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าข้าเจ้าของต่อสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น แต่บางครั้งมันไม่ถึงขนาดนั้นนะจะคนนี้ตาสวยคนนี้จมูกสวยคนนี้คิ้วสวยคนนี้ผมสวยนะ อ, อวัยวะมือเท้าสวยต่างๆเป็นต้นนี่มีอะไรนะที่พภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์พลังเขาเรียกว่าน้องทองคําน้องทองอะไรประกันราคาเป็นละล้านนะไปไหนประกันน้องเขาเนะี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งกัน ค, คิดมา จริงมันไม่มีอะไรสวยงามตัวนี้เขาเรียกว่าสุภาสัญญาคือไปกาหนดหมายว่าสว ย, สวยงามเมื่อสวยงามก็ ก, กลายกลายเป็นวิวปปัลลาคือสุภาวิปราลาสิ่งของที่ปฏิกูลน่าเกลียดเราไปปักใจฝังใจว่าสวยงามก็คือว่าคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะร่างกายของเราที่จริงมันมาจากคำกุอายะกุนี่คือน่าเกลียดโสโครบปฏิกูล นารังเกยียจอายะก็คือแหล่งที่ประชุมแหล่งที่รวมอของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดด้วยประการต่างๆในระดับอารมณ์ของธรรมฐานเนี่ยบางครั้งสอนให้เห็นว่าในท้องของเราเนี่เป็นป่าช้าขนาดใหญ่ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่งางยนะฮะคือสัตว์ต่างหลายที่มนุษย์บริโภคเข้าไปมันสารพัดนะฮะสารพัด คือว่าคนกินสัตว์กินสิ่งที่สัตว์อื่นไม่ได้กินหรือว่าคนอื่นไม่ได้กินเนี่ยแต่คนพวก ก, ก, ก็กินเข้าไปก็กินเรียกเปิรพิษดารนะกินพิสดารเนี่ยสแสดงเหตุว่าร่งางกายมันก็หล่อเลี้ยงมาด้วยสิ่งที่ปฏิกูลก่อ น, นสิ่งที่ออกมามันจึงมีความเป็นปฏิกูลอุจจาระปัจสาวะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ออกมาทั้งถาบานทั้งก้าเนี่ยมันก็รุนแรงแต่ปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้น แต่คนไม่มองว่าสวยงามท่านก็ถือว่าปีปีวิปลาสเคยคาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็สังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ควรไปเข้าใจมันเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นนิจจวิปลาสมองคลาดเคลื่อนจากความจริงว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนแต่ที่จริงมันไม่เหนือะไรเที่ยงแท้ยั่งยืน เป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ไม่คงที่เกิดดับเกิดดับตลอดระยะเวลาเลยแล้วจะดับเมื่อไหรก่ก็ดับไปเลยเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าชีวิตเรานี่เดินใกล้ความตายเข้าไปทุกคะแนนะพออายุมากขึ้นมันก็คิดมากขึ้นนี่นะแต่เวลาไปพูดอะไรญาติโยมก็ติงก็ติงแม่พูดคล้ายๆเป็นลางอะไรก็ไม่รู้จะเป็นลางได้ยังไงนะก็ที่จริงเราก็ตายแน่นะ ดีท่านบอกไว้ว่าอันนี้จังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผูด้ดีเกณนใจตายเตียนโย่ทงตัวหมอก็ต้องตายวัยชีวันแม้นพระพุทธองค์ทรงลำเลิศแสนประเสริฐกว่าเทวดาในสวรรค์ในที่สุดก็ต้องนิพพานนั้นก็แสดงให้เห็น้ึ ง, งความไม่เที่ยงแท้อย่างยืนของสังขารแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ลองสังเกตว่าที่จริงเราก็เป็นชีวิตประจํำวันเรารู้ถึงความไม่เที่ยงแท้แนละ้ว จะสมมติว่าอาหารร้อนๆ อ, อาหารนี้ต้องกินตอนร้อนเนี่ยพอตักมาถึงก็จะมีคนบอกเอารีบรับประทานหรือจะเย็นจะไม่ร่อยหรือบางครั้งพวกไอศครีมบอกว่ารีบรับประทานที่อุปเดียจะละลายอันนี้คือเรายอมรับว่าจากร้อนเนี่ยจะกลายเป็นเย็นจากเย็นเนี่ยจะกลายเป็นน้ํานั่นก็คือความไม่เที่ยงแท้อย่างยืนแต่ว่าเราก็ไปเข้าใจมันเทีทยย่ยงแท้ยั่งยืนและปักใจ หล้งการที่คนเปลี่ยนแปลงไปเศร้าโศกจนถึงกระบาดเจ็บล้มตายไปในที่จริงมันธรรมดาของความเปลี่ยนแปลงมันเป็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นนิรันดร์นะชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายนี่เที่ยงความตายเนี่ยตายแน่แต่ตายเมื่อไร่ตายที่ไหนตายอย่างไรนะตายเพราะเหตุใดเนี่ยมันเอานิยายไม่ได้แต่ว่าตายั้องตายแน่มีที่ดานช่างหูคนหนึ่ง ก็ว่าควังธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องมานานุสติคือตั้งสติล้วลึกถึงความตายอยู่หนึ่งเนืองแล้วลึกอยู่สมอเสมอเธอจะลิงมานานุสติอยู่ตั้งสามปีนะต่อมาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าอายุเธอกำลังจะหมดก็เสด็จไปโปรด แต่พอดีเธอมาไม่ได้นะพ่อใช้ไปทํางานแล้วก็มาลาไปผู้เจ้าเสวยเสร็จแล้วก็ไม่ยอมอนุโมทนาญาโยมก็นั้งรอคอยกันอยู่พอกุลธิดาคนนั้นมาพผู้หญิงก็มองเธอให้รู้เป็นนิยะให้ว่าเข้ามาใกล้ๆแต่ก็เข้าไปนะฮะตามสัญญาณเดี๋ยวผูเจ้าส่งมองมาแล้วสังถามว่ามาจากไหน เธกลับทูกเราไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าจะไปไหนบอกไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าไม่ทราบหรือบอกว่าทราบไปเจ้าค่ะถามว่าทราบหรือบอกไม่ทราบไปเจ้าค่ะชาวบ้านก็บวยวายนะฮะหาว่าเป็นเด็กเป็นเล็กไปพูดจาเล่นสำนวนกับพระพุทธเจ้าเธอรู้พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าตัวเจ้าก็ทรงรู้ว่าเธอตอบคือตอบได้แล้วก็ตอบถูกต้อง แต่เพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ซึ่งไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดคิดว่าตัวเองฉลาดน่ยก็ให้ได้ทราบถึงความคิดว่าทำไมเมื่อเราถามมาเธอมาจากไหนทำไมจึงตอบว่าไม่ทราบเธอก็กลับทูลว่าพราะผู้มีพระภาคทรงรู้แล้วว่า อ, อมฉันนั้นมาจากบ้านนช่างคู แต่ที่สงถามนั้นก็ก่อนที่จะมาเกิดปฏิดาในช่างหูกเนี่ยมาจากไหนครับเราไม่ทราบก็กลาวทูลว่าไม่ทราบแล้วเมื่อรับสั่งถามว่าไม่ทราบหรือที่ตอบว่าทราบเนี่ยเพราะว่าทราบป่ะต้องตายแน่แต่เมื่อถือว่ารับสั่งถามว่าทราบหรือเนี่ยกที่เราก็ไม่ทราบเนี่ยเพราะไม่ทราบเราจะตายเมื่อไรตายที่ไหนแล้วก็ถามว่าจะทราบหรือเนี่บอกว่าไม่ทราบ ไม่ทราบว่าทราบแล้วเนี่ยตายแล้วนี่ยตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายเมื่อไร่ตายที่ไหนแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยแเราจะเห็นว่าไอ้นี่ที่จริงก็คือจเรียนกรรมฐ า, านมาตั้งสามปีนะฮะตอบแค่คำเดียวแต่เองเราแล้วก็ตายแน่ชีวิตเราแค่เทานั้นน่ะว่าตายแน่แน่แต่ว่าตายเมื่อไร่ตายยังไงนะตายที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้คือบางทีมันก็ต้องตรงให้ตก ในสังขารทั้งหลายเนี่ยบางกรก็ดูที่เขาสัมภาษณ์ญาติโยมที่น้ำท่วมทีออ่จังหวัดเพชรบูรณ์นนะฮะยระดเกตว่าปัญหาปิยวิปโยคคือการพลากลาสูญเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ตั้งใจตั้งใจทำใจยากตั้งตั้งหลักไปยากแต่มีผู้ในการโรงพยาบาลที่นั่นนะฮะที่ที่ลมสักอธิบายดี แสแดงว่าทั้งคุ้นเคยกับความตายก็อยู่กับความตายเรสามารถอธิบายให้ปลุกปบทั้ท ง, ทงเดียวพวกเราที่จริงก็สวดชาราธโมมิเรลังกนติโตกันมาตั้งเยอะนะฮะโอเคจริงก็ตั้งหลักไม่ได้ตรงนี้ที่จริงมันเป็นบทพิสูจน์ก็สอบผ่านหรือไม่นะเจริญมรรสติมาก็สแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็สอบผ่านนะฮอาถามว่ามาจากไหนบอกไม่ทราบ ถามว่าจะไปไหนบอกไม่ทราบถามว่าไม่ทราบหรือบอกว่าทราบถามว่าทราบหรือบอกไม่ทราบมันเป็นการแสดงถึงความรอบรู้ในกระบวนการของสังสารวัตรแต่ทีเนี้ยคนที่ไม่ได้คิดในเรื่องภาไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหลายเนี่ยก็ยจะไปมองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเที่งแท้ยั่งยืนไม่แปรผันนี่ก็เป็นความเห็นในวิปลาสแต่ประการต่อไปก็คือ ชีวิตเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ที่เราเรียกว่าทุกขขันนี่คือกองของทุกข์คือถ้ามองจากสายตาของพระเรียเจ้าแล้วเนี่ยมันทุกข์ล้วนๆเนี่ยนะทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนั่นคือสายตาพระอานารท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะชีวิตเรากำลังกองทุกข์แท้ๆนะฮะ ไปจะเอาสักสิบอย่างนี้ยุ่งปวดหัวจะแย่แล้วนะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายเนี่ยสิบเรื่องแก่ไม่เคยตกแก่ก็แก่ได้ทุกวันเจ็บก็เจ็บได้ทุกวันตายก็ตายเมื่อไหร่ก็ไปรู้ตายได้ทุกวันเหมือนกันนะแล้วก็หนาวร้อนมันก็มีทุกวันหิวกระหายก็มีทุกวันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็มีทุกวันอันนี้คือ ปัญหาชีวิตที่เราจะเห็นว่ามันเป็นกองของทุกหรือก้อนของทุกบางค น, นท่า น, นให้เห็นว่าโอ้ก็จริงแล้วนี่มันจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในการทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราเรียกว่าอุปาทานขันทั้งห้าดังนั้นคนที่ยังมองเห็นว่าเป็นสุขแล้วหลงไหลได้ปลื้มเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่เนี่ยกับโลกียอารมณ์ทั้งหลายก็ยังยังยังมีความรู้สึกนะฮว่า ปัญหาในบ้านเมืองเราเนี่ยมเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก่ยากเพราะคนที่มีปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เราไม่สามารถติดต่อกับเขาได้แต่ว่าคนที่มีปัญหาเช่นคนเข้าวัดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นคนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วแรงจะทําบาปก็ไม่เคยมีแรงจะทำบุญก็ไม่เคยมีก็มากแก่ๆแล้วทั้งนั้นแต่ข้างนอกเนี่ยมันมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะ อย่างนี้เราจะเห็นว่ากระแสะเรื่องการอะไรละ่ะก็เรียกว่าอากิดในทางเพศ่ะกรจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะมันมาแรงมากเกินมาแรงจนเราไม่นึ ก, กว่าเออคนอก็กล้าพูดนะกล้าพูดต่อยคำอย่างนั้นขึ้นมาหน้าตาก็ดีท่าทางการศาึกษาก็มีการศาึ่งาเอทำไมมันคิดอย่างนั้นแต่เวืนี้มันโลกมันไม่สามารถจะปิดกั้นอะไรได้ ข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นข่าวก็ทำอย่างเดียวคืออย่าไปทำผิดกันเด็กถ้าทำผิดแล้วโอกาสที่จะแก้ไขนี่จะยากเพราะชีวิตชีวิตจึงมีทุกอยู่รอบกัานพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เราเห็นไม่ชัดเจนและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งกำมังบุ๋วหาอยู่หน้านเนี่ยก็คือการ มันไม่มีตัวตนที่ทาวอนยั่งยืนตามที่มีความเข้าใจกันแล้วก็ยึดติดกันแต่ว่าเราก็เป็นเป็นอัตตาสัญญาคือกำหนดหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเสร็จแล้วมันก็ตายเป็นอัตตาวิปลาสคือว่ามองแค่เคลื่อนไปว่าเป็นตัวเป็นตนมี่ตัวนี่ตนแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเรามันเป็นการเกาะกลุ่มกันของนามธรรมกับรูปธรรมนะ ผมมาย่อยมาก็กลายเป็นขันห้าขันห้านั่นเองนะย่อยอีกทีนึงก็เป็นนามรูปนะแล้วมันก็เป็นสังขารเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าจากการสังเกตว่าคนทั่วไปเด็กเขาไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลนั่นก็มีความสึกพระผููเรื่ยงเรื่องเรารู้แล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีอะไรคือคําว่ารู้ในที่นี้หมายความว่าต้องถ่ายถอนตาหาวปาถานใน รูปในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้นะแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็แสดงยังไม่รู้ค่ับประกอบกันทำมารู้ในความหมายที่เราใช้กันข้างนอกกับความหมายทางพุทธศาสนานแตกต่างกันความรู้ในความหมายพุทธศาสนามันต้องขจัดตัวไม่รู้ได้คือจะขจัดอวิชชาได้วิชาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขจัดอวิชาได้และเมื่อวิชาถูกขจัดไปในโลภะโทสะโมหะก็ถูกขจัดตามไป อางน้อย ก, ก็ลดความเข้มข้นและความรุนแรงลงไปนี่ก็คือทําให้บริสุทธิ์ทีนี้ตรงนี้มันมันมันเป็นเรื่องความเห็นเพตอ น, นข้อที่สามเนี่ยเตือนท่านเรียกว่าทิฏฐิบิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดในด้านความเห็นคืออย่างน้อยก็เห็นตามความจริงไม่ถึงกับวิปลาสขนาด น, นั้นไปเห็นสิ่งไม่สวยงามมาสวยงามไปเห็นสิ่งไม่เที่ยงมาเที่ยมเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็น อนัตตาว่าเป็นอัตตาเนี่ยก็เกินไปนะนะแต่ว่าเอาก็จริงแล้วนี่มนุษย์จะเป็นอย่างนั้นแะคือจะหลงโลกไปเข้าใจเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยกับเรื่องเหล่านั้นยังชอบใจประพุทธรรหลักบทหนึ่งในธรรมบทพุจ้ารับสั่งแก่สหายของนางวิสาขาเป็นแม่บ้านเนี่ย น, นะฮะ เป็นทหารกระนางวิสาขาวันณัขัตฤกษ์เนี่ยเธออยากจะดื่มเหล้าจะไม่กล้าดื่มที่บ้านสามีก็เลยก็ขอลราสามีบากประเทศในะสํานักพระพุทธเจ้าก็พกเหล้าใส่พกมาในขณะเทศเนี่ยขณะพระเจ้าเทศอยู่เนี่เธอก็ทั่งดื่มเหล้าจิบเหล้ากันไปเกิดมันเกิด ม, มาเมาเหล้าเนะี่ยลุกขึ้นไร่ายรำร้องเพลงปหายกันใหญ่เลยพระเจ้าทรงกําหนดรู้ด้วยพระทัยก็ ส่งบรรดาเดืพุท ธ, ธานุภาพไปตรงนั้นมืดหมดทันทีเลยแล้วพระองค์ก็อันตราทานไปจากที่นั้นแล้วก็สรงเปล่งรัศมีเป็นลำแสงส่องมาเกล้าก็ฉายไปฉายส่องส่องหน้าคนละนั้นเลยานนั้นก็ตกใจจนหายเมาเลยพอได้สติดีแล้วก็ต้องเตือนนะครับภาษาบาลีก็เพราะ แต่ก็เพราะนะฮะโกนุหะโสกิมานันโดนิจังปัจจิเตสติอันดากาเรณโอนัาปาดิปังเปาดิปังนะคนะเวสสถานเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริอ ง, เรองอะไรกันดูอีกเล่าในมโนโล ก, กสารนี้ว่าแต่มันลุกโพร่อยู่ตลอดเวลาดิเธอผู้ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้เนี่ยทําไมไม่สแสวงหาอาชีพเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตเราแต่สเสร็จแล้วก็แสดงทำโปรดพวกนั้นก็ได้ มัรลุมักพลกันไปคือโลกเนี่ยมันเป็นแสงสีที่วิจิตรแต่ว่าคนหลงยึดติดอยู่ด้วยประการต่างๆเป็นกระบวนการของชีวิตที่ท่านบอกว่าสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปเนี่ยสี่คนหามก็คือเป็นที่รวมของดินน้ำาลงไฟ สามคนแห่ก็คือไหลไปตามกระแสของปาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยในตอนสังเกตว่าเป็นกระบวนที่ไหลต่อเนื่องกันไปรูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกรูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเกือาก็จริงเนี่ยแม้แต่ตัวเรานันก็ไปเป็นของเราแล้วก็เราไปคว้าขวาคว้าสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราของเราเนี่ย เราไม่รอจะไม่เป็นของเราเลยจะเอาอย่างอื่นมาเป็นของเราได้ยังไงที่จริงโลกเนี่ยมันมันก็สอนอะไรอยู่เยอะนะครับเพียงแต่เราไม่ได้คิดว่านี่คือสัจธรรมเช่นางคนเกิดมาเนี่ย ม, มือมาแน่นแนะเด็กเนี่ยเด็กกามือตัวเล็กๆอเราจะยังไงกามือบางทีแกะไม่ได้ออกเลยกำมือมาเพราะจะควา้าเพราะจะยึดถือ ในสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกแป็นหน้าตาเนี่ยฮะบอกเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นต้นของเราโดวยวิธีการตา่างๆแต่วก็จริงพอตายก็แบ่มือไปนั้นมาเป็นคนไม่ค่อยได้รดน้ําศพนะแต่รดน้ําศพแล้วคิดถึงตรงนี้ตัวเองหรือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับคนตาย ก็ไม่เคยมีโอกาสคือมาอยู่อย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยจริงๆเราก็ไม่ไปเผาเพรบางทีเราก็ไปไม่มีคนรู้จักเราก็ขินเหมือนกันแต่ว่าพระบางองค์ในท่านทางป้างฝางได้มีคนรู้จักมากทางก็ไปแต่จริงมันก็เผารดน้ําศพเนี่ยเผาศพเนี่ที่จริงมันเป็นอนุสติอย่างหนึ่งคือ ท, ทำให้เราได้คิดติงชีวิตว่าชีวิตมันก็เท่านี้เอง นะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นะถ้าคิดอย่างนี้ใจมันก็บริสุทธิ์จากอวิปัลาสลงไปได้อย่างน้อยกอ็เวลาเกิดพลาดพลาสูญเสียไม่ร้องไห้ก็แล้วกันสามารถบรรเทาความทุกข์ลงไปได้มากแต่แนวตรงนี้เป็นแนววิปัสสนาคะับเป็นแนววิปัสสนาก็คงจะกล่าวในช่วงหลังๆไปก็ฟังเท่าไหร่ แต่รบเป็นยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาถึง่านี้ที่สุดที่ขอความจเจริญง่องามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี